Mm hmm. เช้าทุกเย็นพวกเราก็มารวมกันเพื่อทำวัดสวดมนต์ที่เราทำวัดสวดมนต์นี่ไม่ใช่เพื่อวิงวอนหรือขอให้อนุภาพแห่งมนต์ปกปักรักษาเราแต่เพื่อเตือนใจให้เราะระลึกถึงพระพูประทามประสงค์ คำว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่ก็คือเป็นการเตือนจะให้เราเระลึกถึงคุณของพระองค์คุณของพระรัตนตรยัยเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นการตอกย้ำศรัทธาในพระรัตนตรยัยเมื่อเรามีศรัทธามั่นคงก็จะช่วยทําให้เรามีกําลังในการทําความเพียร เพื่อฝึกฝนพัฒนาตนให้พ้นจากความทุกข์การปฏิบัติธรรมมันเป็นการทวนกระแสกิเลสบางครั้งก็อาจจะท้อแท้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีศรัทธามีความมั่นใจในคุณของพระรัตนตรัยมั่นใจในคําสอนของพระพุทธองค์ มั่นใจในความจริงเป็นสากลของพระธรรมและมั่นใจว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนเห็นผลนั้นมีอยู่จริงเราก็จะเกิดความภาคเพียรพยายามมากขึ้นการสวดบังบทนะก็เป็นการตอกย้ำให้เราตระหนักถึงหน้าที่ของเราอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้นะ คำทมวัดเย็นเนี่ยนอกจากเป็นการแผ่อุทิศส่วนุศลให้กับสรรพสัตว์แล้วก็ไปินถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เทวดาครูบาอาจารยุปชาพ่อแม่หรือแม้แต่ศัตรูแล้วนี่เราก็ยังเป็นการกล่าวย้ำกับตัวเองในเรื่องของการที่จะละตันหาอุปาทาน เพื่อการพดทุกข์อันนี้มันเป็นเหมือนปฏิญญาของชาวพุทธว่าเราจะพากเพียรด้วยน้าพักน้ําแรงของเราไม่ใช่เพื่อวิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพุทธนี่เราไม่มีพระเจ้าหรือเทพเจ้าที่จะหวังพึ่งพา ให้มีสุขปราศจากความทุกข์หรืออันตรายถ้าหวังสุขก็ต้องาพากเพียรพยายามด้วยตนเองนั่นก็คือว่าลงมือกระทาลงมือกระทาให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้วางแนวทางเอาไว้แล้วนะเช่น ไรศีขาศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดอันนี้แหละก็คือแผนที่ที่เราควรจะนำมาปรปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราถ้าหากว่าเราทำถูกตามเหตุตามปัจจัยก็จะเกิดผลอย่างที่เรียกว่าทาดีได้ดี ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเหตุตามปัจจัยหรือว่าปฏิบัติผิดก็เกิดผลเสียอันนี้ก็เรียกว่าทํากรรมไม่ดีทํากรรมเลวก็ย่อมได้ผลที่เลวคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องกรรมหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยนะก็เพื่อให้เราได้ภาคเพียรพยายามที่จะทํา เพื่อให้เกิดผลอย่างที่เราต้องการถ้าเราอยากได้ผลดีเราก็ต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเราเองจะไปวิงวอนร้องขอใครไม่ได้ต้องทําเดี๋ยวนี้นะคำซ้อนของพระอุตจเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยจะในเรื่องการทํากรรมในปัจจุบันเพราะว่ากรรมเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งอาศัยและกรรมเท่านั้นที่ปรุงแต่งเรา จริงสิ่งที่จปรุงแต่งลรามก็มีหลายอย่างแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะสําคัญเท่ากกรรมคือการกระทําของเราเองและต้องเป็นกรรมในปัจจุบันด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจเรื่องกรรมนี่ผิดพลาดมากคือไปให้ความสําคัญกับกรรมในอดีตแล้วก็อดีตที่ว่านนี้บางทีก็สาวไปไกลย้อนไปไกลจนถึงอดีตชาติ ซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรแน่เดี๋ยวนี้มีความเข้าใจว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่าสบายหรือลําบากเป็นเพราะกรรมในอดีตอดีตที่ว่าไม่ใช่ออดีตสมัยยังเป็นเด็กหรือเมื่อสิบปียีสิบปีที่แล้วแต่หมายถึงอดีตชาติ ความคิดแบบนี้นี่มันเป็นความคิดที่เป็นมิชฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าตัดว่าความคิดหรือลทัทธินอกพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งคือความคิดหรือความเข้าใจว่าสุขทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในดิตชาติท่านเรียกความคิดแบบนี้ว่าปุเพกะตะเหตุวาาคือ เอออะไรก็อ้างว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะอดีตชาติได้ทํากรรมอะไรบางอย่างไว้นั่นก็เป็นอันที่1อันที่สองก็คือความเชื่อว่าที่สุขหรือทุกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะการโดนบันดาลของเทพเจ้าท่านก็เลยว่าเป็นอิสวระดิรมิตวาน อิส v ร r a ก็คือพระเจ้าผู้เป็นใหญ่นะที่เนลมิตรนี่ก็คล้ายๆกับเรื่องพรมลิขิตคนไทยจำนวนไม่น้อยแม้ทั้งชาวพุทธหรือที่เล็กตัวก็เป็นชาวพุทธก็เชื่อเรื่องนี้มากอันที่สามคือความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์นี่มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเรียกว่าอเหตตธุวานไม่มีเหตุเลยนะมันเป็นความบังเอิญความเชื่อของชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนี่ย ก็อยู่ในข้อแรกและข้อที่สองผู้เจ้าบอกว่กความเชื่อแรกเนี่ยมันเป็นความเชื่อของนิครนลัทธินิครนความเชื่อที่สองนี่มันเป็นความเชื่อของพวกพราหมณ์ความเชื่อที่สามเป็นความเชื่อของปริพาชกพวกเราหลายคนที่อ้างว่าเป็นชาวพุทธนี่สก็สมาทานลทัทธิของนิครนไปเยอะเลย เวลาเจ็บป่วยก็อ้างว่าหรือเข้าใจว่าเป็นเพราะอาดีตาชาติได้ทํากรรมอะไรบางอย่างไว้มีความเชื่อแบบนี้มาผู้เจ้าเคยโต้เถียงกับนิครนคนหนึ่งที่อ้างว่าอ่าสุขหรือทุกนี้เป็นเพราะกรรมในอดีตาชาติเช่นที่เจ็บป่วยนี่ก็เป็นเพราะว่ากรรมที่ทําไว้ในอดีต คูเจ้าก็อธิบายหรือจำแนกแจกแจงว่าท่านก็ทราบไม่ใช่หรือว่าเมื่อเกิดทุกขเวทนาเช่นเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเนี่ยที่เกิดจากลมก็มีที่เกิดจากดีก็มีที่เกิดจากเสมหะก็มีที่เกิดจากลมดีเสมหะรวมกันก็มีที่เกิดจากอากาศแปรปวนก็มีที่เกิดจาก บริหารกายไม่สม่ำเสมอคือไม่ออกกําลังกายก็มีที่เกิดจากการถูกทําร้ายก็มีแล้วก็ที่เกิดจากผลกรรมก็มีผลกรรมในที่นี้ก็ก็คือการกระทําเน่ดีดนั่นเองฉะนั้นได้ว่าพระุทธเจ้าก็ไม่เดียกับปฏิเสธนะว่าไอ้กรรมใน่ดีดนี่มันไม่มันไม่มีผลแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักก็เป็นเรื่องที่เห็นเห็นกันอยู่นะ เช่นดีเซมหะหรือว่าลมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมฤดูกาลก็เป็นเรื่องของดินฟ้ากระดัการบริหารกายไม่สม่ำเสมอแม่ออ ก, กําลังกายเป็นต้นเช่นกินไม่ถูกคนในนี้ป่วยมากเพราะเป็นเบาหวานก็ดีเพราะมะเร็งก็ดีพอเป็นก็จะไปโทษอดีตชาติ โดยที่ไม่ได้สาวหาสาเหตุว่าเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตถูกต้องไหมนะกินสบายอยู่สบายแต่ไม่ออกกาลังกายอย่างที่เคยพูดไ้ก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้การที่ไม่ออกกาลังกายก็เป็นเหตุให้เป็นโรคมะเร็งเต้า น, นมหรือว่ามะเร็งมะลู่นเนี่ยสิบเอร์เซ็นเข้าไปแล้วโรคหัวใจต่างหากจริงเรื่องการนี้มันมันดูไม่ยากนะก็คือว่า ถ้ากินอาหารไม่ถูกต้องร่างกายก็เจ็บป่วยความเจ็บป่วยนี่ก็กเกิดจากกรรมแหละก็คือการกระทำการกระทำในที่นี้ก็เห็นๆกันอยู่ก็คือพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องแต่เดียวนี้มันก็แปลกนะทั้งทั้งที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรามีความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นแต่ว่าชาวาพุทธจำนวนมอยก็ กลับไปเชื่อว่าที่เจ็บป่วยนี้เป็นเพราะกรรมแนวอดีตตชาติอันนี้ก็เรียกว่ากำลังสมาทานลัทธิของนิครนเข้าไปเต็มที่เลยให้ความยากจนก็ดีหรือว่าชีวิตที่มันลําบากก็ดีมันก็ไม่ต้องสาหาไปไกลถึงอดีตชาติหรอกก็เห็นอยู่ว่าเป็นเพราะว่า การกระทําของเรามีส่วนด้วยหรือเปล่าจริงแล้วพูทธเจ้าก็ไม่ได้ถึงกับบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมในปัจจุบันชาติมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นดินฟ้าอากาศเช่นเรื่องของเชื้อโรคหรือว่ากรรมพันธ์อันนี้ท่านใช้คำว่าปีชานิยามปีชานิยามคือกฎเกี่ยวกับการสืบพันธ์ พ่อแม่ต่างคนต่างเป็นพาหะโรคทารัสซิเมียพอมีลูกออกมาลูกก็เป็นทรารัสซิเมียเต็มที่เลยอันนี้เรียกว่าป่วยเพราะพีชันนียามไม่ใช่เพราะกรรมของลูกนะแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งการสืบพันธุ์ผู้จ้า ก, ก็ได้พูดเรื่องนี้มานานแล้วหรือว่าอุตุนิยามก็เป็นเรื่องของกฎเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ดินฟ้าอากาศแปรปรวนก็เจ็บป่วยนะอย่างพวกเราหลายคนก็เจ็บป่วยกันมันไม่ใช่เพราะอะไรนะมันเป็นเพราะดินฟ้าอากาศก็มีส่วนด้วยหรือธาตุแปรปรวนนะอันนี้ก็เรื่องลมเรื่องดีเรื่องเสมานี่ยก็เกี่ยวกับธาตุนั่นแหละนั่นชาวผู้เรานี่ต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีพอเข้าใจผิดแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้ที่เรียกว่า ยอมจำนนไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขเช่นเวลาเจ็บป่วยพอไปิดี่าวมันเป็นพ่อดิตะชาตแล้วเนี่ยก็เลยไม่ทําอะไรคือถึงจะทําก็ทําแบบที่มันผิดมันไม่ตรงตามเหตุตามปัจจัยเช่นสะดอกเคราะห์ทาบุญอันนั้นก็ดีนะเพราะว่ามันมีผลต่อจิตใจด้วยแต่ว่า้การรักษาก็ต้องทาด้วยนะ จะรักษาด้วยวิธีไหนก็ก็ว่ากันไปนะโดวยวิธีการแพทย์แผนใหม่หรือการแพทย์ทางเลือกก็ว่ากันไปนะแต่ว่าต้องต้องทําให้การกระทํำนั่แหละเราเรียกว่ากรรมเราเกิดมานี่ไม่ใช่เพื่อใช้กรรมนะเดี๋ยวนี้คนไทยก็เข้าใจเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่ทําอะไรถือว่ายอมก้มหน้าก้มตาใช้กรรมไป อันนั้นก็ดีอยู่มันทำให้มีความอดทนไม่ตีโพยตีพายแต่ว่าลืมไปอีกข้อนึงคือต้องสร้างกรรมใหม่ด้วยอย่างที่เราได้ยินหรือว่าจดจํำนะภาษิตว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าอยากได้ผลดีก็ต้องสร้างกรรมดีแล้วสร้างกรรมดีนี่ไม่แปลว่าต้องทาบุญเสมอไปนะมันหมายถึงว่าการทากรรม หรือการกระทำให้ตรงตามเหตุตามปัจจัยเช่นเจ็บป่วยก็ออกกำลังกายให้มันพอเหมาะกินอาหารให้มันถูกต้องจะดีท็อกจะล้างตับหรืออะไรก็ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกรรมใหม่ถ้าหาว่าไปคิดว่าชีวิตนี้เกิดมาเพ้ใช้กรรมนี้ก็ก็เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แบบศูนย์เปล่า หรือว่าไม่ได้ใช้ความเป็นความเป็นมนุษย์ของเราให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะวันจริงแล้วเนี่ยพบคุณมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่ไม่ใช่แค่สวปริบากอย่างเดียวแต่สร้างกรรมใหม่ได้ด้วยถ้าเป็นพบอื่นนะเช่นนรกเปรตสุรกายพวกนี้นี่เรียกว่าสวปริบากอย่างเดียวไม่สามารถสร้างกรรมใหม่ได้ แม้แต่เทวดานี่ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเสวยอ น, นิสง์แห่งบุญอย่างเดียวสร้างกรรมใหม่ก็แทบทำไม่ได้ทำได้น้อยพบมนุษย์นี่ถือว่าเป็นเป็นภูมิพิเศษนะก็คือสามารถที่จะสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยซึ่งทำให้เรามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้หรือพ้นจากความทุกข์ขนาดเทวดาก็ยังอยากมาเกิดอยู่ในพบมนุษยนะ์ สุขติของเทวดาคือโลกมนุษย์เทวดาเวลาจะจุดติจุดตินี่คือดับนะไม่ใช่เพราะเกิดเวลาจะดับก็อวยพรก็ว่าขอได้มาเกิดในโลกมนุษย์เพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้สร้างกรรมดีโอกาสที่จะได้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้เนื่องใครที่คิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วใช้กรรมอย่างเดียวนี่เรียกว่าเสียของเสียของมาก จะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็แรงไปเรียกว่าเสียของดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราสามารถจะทำอะไรให้กับตัวเราเองได้มากกว่า น, นั้นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราให้ความเข้าใจเรื่องกรรมที่ผิดพลาดนี้บางทีก็ทาให้เกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยคือนอกจากจะงอมืองอไม้ไม่ทำอะไรแล้วถือว่าใช้กรรมลูกเดียวแล้วก็ยังกลายเป็นว่าไม่คิดจะไปช่วยเหลือใครด้วย เวลาใครเขาเดือดร้อนก็ยิ่งดูดายปล่อยเขาบอกว่าเป็นกรรมของสัตว์นะกรรมใครกรรมมันเขาทํากรรมเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเองอันนี้มันเป็นเหตุผลที่เอามาใช้กันเยอะมากที่จริงก็เป็นข้ออ้างสําหรับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์คือไม่อยากจะช่วยเขาก็เลยอ้างเหตุผลที่สวยรู้ว่าเขาต้องรับกรรมของเขาเอง มันทำให้คนไทยชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยเป็นคนไม่มีน้ำใจอาตามาเคยไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งที่คอมะเร็งก้อนมะเร็งมันบวมจนกระทั่งหนักเป็นกิโลนั่งไม่ได้ต้องนอนนอนแบบเอาตัวเอาหน้าอกเนี่ยทาบกับเตียงเวลาคุยล้วก็ต้องก้มไปคุยกับเขา พยาบาลก็ดูแลเอาใจใส่ดีจนกระทั่งสามารถจะส่งกลับบ้านได้พอส่งกลับบ้านมีปัญหาว่าไม่มีใครดูแลคนไข้คนนี้ถามว่าเขาไม่มีพี่น้องหรือเขามีแต่ว่าพี่น้องไม่สนใจพี่คนหนึ่งก็ไปปฏิบัติธรรมพรยาบาลก็ดีนะอุตส่าห์ไปติดต่อขอให้พี่สาวนี่มาช่วยดูแลน้องที่บ้านหม่ พี่สาวก็ปฏิเสธพี่สาวบอกว่าเขาต้องรับกรรมของเขาเองนะฉันไม่ช่วยนะฉันจะปฏิบัติธรรมต่อไปเขาไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการอยู่ในวัดไม่ได้เข้าใจว่าการที่มาดูแลน้องชายก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนี่ก็ผิดข้อความเข้าใจที่คาดเคลื่อนข้อที่หนึ่งแล้วนะข้อที่สองความเข้าใจที่คาดเคลื่อนก็คือคิดว่าน้อง ต้องรับกรรมเขาเองเพราะฉะนั้นฉันไม่ช่วยการที่ที่สาวไม่ช่วยน้องเนี่ยมันก็เท่ากับว่ากำลังทํากรรมแล้วนะเป็นกรรมเลวก็คือว่าไม่มีนางขังขอไม่มีน้ําใจการไม่ทํานี่บางทีมันคือการทําอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเช่นเห็นคนตกน้ําแล้วไม่ช่วยเนี่ยการไม่ทําคือ การไม่ไปช่วยเขาเนี่ยคือการทํากรรมอีกแบบหนึ่งเป็นกรรมไม่ดีบางคนคิดว่าเอ้ยไม่ทําอะไรนี่ก็คือไม่ทํากรรมไม่ใช่อย่างพี่สาวของคนคนนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าการที่เขาไม่ไปช่วยน้องนี่เป็นการกระทําที่ถูกก็คือให้น้องรับกรรมของเขาเองแต่หารู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยกําลังสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นกรรมที่ไม่ดีซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า พอตัวเองล้มป่วยขึ้นมาก็อาจจะไม่มีใครช่วยเขาอันนี้ก็แสดงว่ารับกรรมเข้าไปแล้วเพราะว่าเคยนิ่งดูได้ไม่ช่วยน้องถึงเวลาตัวเองเจ็บป่วยบ้างก็ก็ต้องเจอแบบเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวเรื่องกรรมมากซึ่งแพร่หลายมากขึ้นทุกทีในหมู่ชาวพุทธมันกลายเป็นข้ออ้างสาหรับ ความเห็นแก่ตัวทําให้ตัวเองรู้สึกดูดีมากขึ้นเออฉันกําลังเคารพกฎแห่งกรรมแต่เป็นการเข้าใจกฎแห่งกรรมที่ผิดแล้วก็เลยสร้างปัญหาทําให้ไม่มีน้ําใจทําให้ความเห็นแก่ตัวมันมีข้ออ้างฉะนั้นที่กฎแห่งกรรมเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนทําความดีช่วยเหลือกันด้วยเพราะว่า การช่วยเหลือกันมันก็เป็นการทรําบําเพ็ญบุญแบบหนึ่งซึ่งเป็นกรรมดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหนักขึ้นเช่นมีความเข้าใจในหมู่หมอพยาบาลซึ่งสนใจธรรมะนะไม่ใช่ไม่สนใจคือความเข้าใจว่าคนไข้ที่ใกล้ตายเนี่ยเราอย่าไปช่วยเขามากนะพอถ้าเราไปช่วยเขามากนี่ เกิดเข้ารอดช่วยขึ้นมาได้เจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเล่นงานเราแทนคือเจ้ากรรมในเวรก็จะเล่นให้เล่นงานคนไข้ให้ตายเนี่ยแต่พอเราไปช่วยเขาไม่ให้ตายเจ้ากรรมในเวรก็จะมาเล่นงานเราแทนเราใองนที่คือหมอและพยาบาลที่ไปช่วยคนไข้ไม่ให้ตายเจ้ากรรมในเวรตอนนี้มันก็เลยเป็นอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นพลังมืดที่สามารถจะแก้แค้นได้ มันก็น่าคิดนะว่าถ้าหากว่าหมอละพยาบาลคิดแบบนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออย่าว่าแต่หมอละพยาบาลหรือคนทั่วๆไปก็ได้เวลาเหคนประสบอุบัติเหตุกลางถนนเป็นตายเท่ากันถ้าช่วยเขาก็อาจจะรอดแต่ถ้าไม่ช่วยเขาก็ตายเอาเทนี้พลเมืองดีก็คงไม่กล้าช่วยแล้วพอเกิดช่วยให้เขารอด เจากรรมในเวรของคนนั้นก็จะมาเล่นงานเราแทนเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยปล่อยให้มันตายไปดีกว่านล้คิดแบบนี้เนี่ยกําลังทํากรรมเลวโดยที่ไม่รู้ตัวน แ, แล้วก็ถ้าคนไทยคิดแบบนี้มากขึ้นจะเกิดอะไรนะบ้านเมืองก็ไม่มีน้ําใจแล้วมันยิ่งกว่านารกนะเพราะว่าแผ่นดินไหนถ้าผู้คนไม่มีน้ําใจก็คือนรกนั่นเอง เกิดเห็นผู้หญิงกําลังถูกฉุดฉุดฆ่าฉุดฆ่าอนาจารก็อย่าไปช่วยเขาเพราะคิดว่าเขากําลังรับกรรมไปช่วยเขาทำํำไมเขาให้เขารับกรรมไปถ้าหาว่าคนไทยคิดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะมันก็ฉุดฆ่าอนาจารกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีใครอยากเป็นพลเมืองดีเพราะกลัวเจ้ากรรมในเวนจะมาเล่นงานตัวเองแทนเจ้ากรรมในเวนของ ผู้เคราะหลายคนนั้นจะมาเล่นงานตัวเองแทนเห็นคนตกน้ําวายน้ําไม่เป็นก็ไม่ช่วยเขาเพราะคิดว่าเขากําลังรับกรรมก็ให้เ้าตายไปหรือว่าเขากําลังเจอเจ้ากรรมในเวรเพราะฉะนั้นถ้าเราไปช่วยเขาให้รอดก็เจ้ากรรมเน็จะเล่นงานเรามันไม่น่าเชื่อว่ามีหมอและพยาบาลจํานวนไม่น้อยเนี่ยคิดแบบนี้ เมื่อตอนสักสามปีก่อนนี่มีคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เรียกว่าต้นคิดเดืยวนะเป็นผู้ต้นคิดโครงการสามสิบาทรักษาทุกโรคแกคิดมานานแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จจนกระทั่งรัฐบาลยุคทักษิณ น, นี่ก็เอาความคิดนี้ไปผลักดันจนสําเร็จสี่ห้าปีต่อมาคุณหมอท่านนี้ก็เป็นมะเล็งอาการกรสุดหนักไปเรื่อยๆ ก็มีการพูดกันว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยที่เป็นมะเร็งเพราะเจ้ากรรมในเวรเนื่องจากผลักดันโครงการสามสิบาทรักษาทุกโรคทาให้คนที่ควรจะตายไม่ตายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็เลยมารวมหัวเล่นงานคุณหมอคนนี้คิดได้ขนาดนี้นะแล้วคนที่คิดนี่ก็เป็นหมอพยาบาลซะด้วยนะถ้าเป็นงี้ต่อไปก็มีใครก้าที่จะผลักดันโครงการดีๆแบบนี้แล้วเพราะเดี๋ยวกลัว ถ้าช่วยคนไม่ให้ตายแล้วตัวเองรับเคราะแทนเนี่ยความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเจ้ากรรมในวตอ น, นี้มันเพี้ยนหนักมากเริ่มก็ทำให้เวลาเราเจอใครบางคนที่เขาพยายามทำความดีเนี่ยเรากลับมองไปอีกแบบหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกก็ดูแลภรรยาซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง ที่จริงก็มีคนเป็นผู้ดูแลที่จ้างมาแต่ว่าผู้ชายคนนี้แกก็ใส่ใจภรรยามากแกก็ถึงกับลาออกจากงานนี่มาดูแลภรรยาเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวบางทีก็เช็ดขี้เช็ดเยียวให้เพราะว่าเขาป่วยหนักก็เพื่อนบ้านก็พูดว่านเนี่ย ผู้ชายคนนี้กําลังใช้กรรมอาจจะคิดต่อไปว่าชาติที่แล้วผู้ชายคนนี้เคยไปเบียดเบียนผู้หญิงพอชาตินี้ก็เลยต้องมารับใช้คือแทนที่จะมองว่าเออเขากําลังสร้างกรรมดีนะเพราะว่าเขาก็ผู้ชายนี้ก็เลือกได้ว่าจะไม่ดูแลผู้หญิงก็ได้จะทิ้งผู้หญิงไปเลยก็มีอย่างที่หลายคนได้ทําหรือไม่ก็ไปจ้าง คนมาดูแลแล้วตัวเองก็อาจจะไปเที่ยวทํางานเสร็จก็ไปเที่ยวก็ได้เขาเลือกได้ว่าจะไม่ทำอย่างนั้นแต่เขากลับเลือกที่จะดูแลภรรยาด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความเสียสละเพื่อนบ้านแทนที่จะอนุโมทนาชื่นชมว่าโอ้นี่เป็นสามีที่ดีกาลังทำกรรมดีนะกลับไปมองเขาว่าเขากำลังใช้กรรมซึ่งในแง่นึงก็เป็นการซ้าเติมเขา เพราะว่าเท่ากับมันมีนัยยะว่าผู้ชายคนนี้เาเคยทำกรรมไม่ดีอะไรกับผู้หญิงคนที่ในชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยต้องมาใช้กรรมก็เลยมองแบบติดลบไปเลยหรือมองว่าเออสมควรแล้วนะที่ต้องมาทำแบบนี้แทนที่จะมองว่าเขากำลังทำกรรมดีที่เราที่นายกย่องที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างบ้างให้คนที่ทาความดีเลย พอถูกมอแบบนี้ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นคนที่น่าสงสารไปเลยแทนที่จะเป็นคนที่น่าบําเพ็ญตามหรือน่าเอามาเป็นแบบอย่างให้เราทุกวันนี้เราเนี่ยต้องหรือว่าชาวพุทนี่ต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกต้องใครที่เขาเดือดร้อนเราต้องช่วยหากว่าเราอยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้เพราะนั่นคือการสร้างกรรมอย่างหนึ่งเป็นกรรมดีไม่ใช่ไปบอกว่า เป็นกรรมของสัตว์นะขอต้องรับผิดชอบกรรมของเขาอย่าลืมว่าการที่ไม่ทําการที่ไม่ช่วยคนที่เดือดร้อนต่อหน้านะั่นแหละก็คือการที่กำลังทํากรรมเอาไว้แล้วเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นบาปอีกอย่างหนึ่งก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่าการที่ไปทําลายเขาเนี่เราก็ต้องพยายามถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทําทให้เราเนี่ยเกิดความภาคเพียรพยายาม ไม่ใช่แค่ฝึกฝนตนเพื่อที่จะพาตนออกจากความทุกข์ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีปัญหาแล้วก็แก้ไขโดยการใครควรพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่นิ่มเฉยเพราคิดว่าเป็นการใช้กรรมเท่านั้นแต่เวลาเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนก็พร้อมจะเข้าไปช่วยเขาหรือว่าเวลาใครเขาทำความดีเราก็นุมโมทนา ว่าเออเขากำลังสร้างกรรมดีจริงถ้าเราศึกษานะให้ถ่องแท้นะในบทพิจารณาปัจเวกเนี่ยนะอภินิหปัจเวกข้อที่ห้าเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องกดแห่งกรรมดีขึ้นอปินิหปัจเจกข้อแรกก็คือนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเป็นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรัะของชอบใจทั้งนั้นแล้วก็เรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์หมายความว่ากรรมนี้เกิดจากเกิดจากเรา กรรมนี่คือเหมือนกับเป็นทายาทของเรากรรมนี่เกิดจากเราก็หมายความว่าเราเป็นคนสร้างกรรมแต่ในรายเดกันกรรมมันก็ปรุงแต่งเราในแง่นี่คือว่าเราเป็นทายาทแห่งกรรมไม่ต้องกรรมในอดีตชาติหรอกกรรมปัจจุบันแหละนะเช่นกินอาหารไม่ถูกต้องก็เจ็บป่วยแต่ถ้ากินอาหารดีก็สุขภาพก็มีพลานามัย หรือว่าคนที่มีความยึดติดในทรัพย์ในสมบัติเวลาของหายเงินหายก็กลุ้มใจล้มหมอนนอนเสืออย่างนี้เรียกว่าเป็นทายาทแห่งกรรมแล้วล่ะคือรับผลของกรรมที่ทําไว้กรรมนั่นคืออะไรกรรมนั่นคือความยึดติดถือมัน่นเมื่อยึดติดถือมัน่นในทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นว่าทรัพย์สมบัติกลายมาเป็นนายเรา เรากลายเป็นาธาตุมันเพราะฉะนั้นพอมันหายเราก็เลยทุกข์ของหายใครทําไม่รู้ใครเอาไปไม่รู้แต่ว่าที่รู้แน่ๆคือว่าที่ล้มป่วยเมื่อของหายเนี่ยเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นที่สะสมมากี่สิบปีก็แล้วแต่ตรงนี้สําคัญกว่า บางคนไปไ ป, ไ ป, ไปมัวแต่มองโวยที่ฉันเจ็บป่วยเพราะทำกรรมไม่ดีไว้ในในชาติของเลยหายของหายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่สะสมความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นะมันก็ไม่ทุกข์นะคนบางคนถูกโกงไหกสิบล้านยังยิ้มได้เลยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าไอ้ที่แรกก็ทุกข์อยู่หรอกแต่ตอนหลังก็มาคิดได้ว่ายังมีอาหารอร่อยอร่อ ย, ออยกินยังมีบ้านที่อยู่สบาย แล้วจะทุกไปทําไมคือในความสุขของเขาหกสิบร้านมันเป็นแค่ตัวเลขนะแต่ว่าความสุขสบายจากการที่มีอาหารกินมีบ้านสบายได้อยู่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วการที่เขาไม่ทุกข์ทั้งๆ ท, ท, ที่เงินหายนี่ไม่ใช่เพราะกำในิดดีตชาตินะแต่เป็นเพราะเขาวางใจถูกวางใจเป็นเขารู้จักปล่อยวางและเขารู้จักมองในแง่บวก ไม่ได้มาห่วงแต่ของที่หายแต่มาสนใจว่าของที่ฉันมีอยู่ตอนนี้คืออะไรไอการที่วางใจถูกหรือมองแบบนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะงั้นการที่เงินหายแต่ไม่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะกรรมในอดีตนะแต่เป็นเพราะกรรมในปัจจุบันมโนกรรมคือคิดถูกคิดเป็นมีโยนิโสมรสิกานอาจจะเป็นไปได้ว่าหกสิบล้านที่ถูกโกงไป เป็นเพราะชาติที่ละาไปโกงเข้าไว้ก็คิดได้แต่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะกรรมในปัจจุบันก็คือถ้าเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางโกงไปหกสิบร้านก็ไม่ทุกข์แต่คนที่สะสมความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เนยอย่าว่าแต่หกสิบ้านเลยแม่คะทอนขาไปสิบบาทก็ทุกข์จน เครียดไปทั้งวันก็มีนี่เพราะอะไรเพราะความยึดติดถือมัน่นความยึดติดถือมั่นนี่นแหละก็คือกรรมที่ทําไว้ที่สะสมไว้ในปัจจุบันไม่ต้องไปคิดอะไรไกลงั้นถ้าเกิดว่าเราทุกข์นะอย่าไปโทษอดีตให้กลับมาดูปัจจุบันว่าเราวางใจถูกไหมเรายึดติดถือมั่นหรือเปล่า เราปฏิบัติธทมโดยสมควรแก่ทำตามเหตุตามปัจจัยไหมอันเนี้ยสาคัญที่สุดและเพราะเหตุ น, นี้แหละที่ทําให้คนเราเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมได้ไม่ว่าอดีตมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราสามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมีพาาระอรหันต์หลายท่านนะต้องเสียลูกเสียผัวเสียพ่อเสียแม่อย่างนางปตจลานี่เสีย ได้เลียงกันไปในสองวันนี้เสียไปหมดเลยหมดครัวทั้งลูกทั้งครัวทั้งพ่อทั้งแม่ ท, ทั้งทรัพ์สมบัติแต่ว่าเนื่องจากมุ่งมั่นในการทําความเพียรในการปฏิบัติก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อดีตไม่สําคัญเท่ากับปัจจุบันอดีตเสียหายแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะเริ่มต้นในปัจจุบันได้อย่างไรอย่างพระองค์คลิมานก็เหมือนกันนะ ทำบาไว้เยอะนะแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นสร้างกรรมดีบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะก็สามารถที่จะพาตนให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นพารหันได้นั่นเป็นชาวพุทธที่แท้นี่เราจะไม่สนใจอดีตมากเท่ากับทำปัจจุบันให้ดีนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้นะก็ยังไม่สาย